วันอื่นๆสึกไปเท่านี้เท่านี้คงรู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุตามประกอบภาวนาอยู่ก็ไม่รู้อย่างนี้ว่าวันนี้อาสวะของเราสิ้นไปเท่านี้วานนี้สิ้นไปเท่านี้วันอื่นๆสิ้นไปเท่านี้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 อันเป็นผลสาเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งหรือหรือว่าไม่ได้บรรลุพรามผู้หนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคพรามสาวกของเราแม้เรากล่าวสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้น้อยพวกที่ได้บรรลุ น, นิพพานอันเป็นผลสาเร็จถึงที่สุดอย่างยิ่งบางพวกไม่ได้บรรลุพระโคดมผู้เจริญอะไรเล่าเป็นเหตุ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 ัางนี้ไปเมืองราชคลึไปได้ครู่หนึ่งจะพบบ้านชื่อโ น, น้นและจกเห็นนิคมชื่อโ น, น้นจะเห็นสวนและป่าอันน่ารื่นรมจะเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมสะโบกขรนีอันน่ารื่นรมของเมืองราชคลึดังนี้บุรุษนั้นอันท่านพร่ำบอกพร่มชี้ให้อย่างนี้ก็ยังถือเอาทางผิดกลับหลังตรงกันข้ามไป